บุ๊กทูสี่สิบสองเชเฮโดการเที่ยวเมืองบ๊อสดีดอัสชารตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับบาซาร์ยก์เาร์บาซาส งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมครับนมามอเยชกอดูชัมเบห์ฮอนิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับนมามอเยชกอเซชัมเบห์ฮ์บอสสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับบอเบวช์ชัวรชัมเบหบอซาส พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันเพื่อหัสัร ป, ปีใช่ไหมครับมูเซ่แพนชมเบอบอสสต์หินเปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับแกลลอรีจมเอบอสาส์สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับอักสเกรฟตันมจ ا ซส์ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ บายอดวรูดีดอดข้าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับเ و ลิตวรูดีชันเดสมีส่วนลดสาหรับหมู่คณะไหมครับทักฟีฟบโรยกรูวูจูดดดมีส่วนลดสาหรับเด็กไหมครับทักฟีฟบโรยบัตเชฮาวูจูดดาด มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ تخفیف برای دانشجویان وجود دارد؟ นั่นตึกอะไรครับ این چه ساختمانیست؟ ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ ق د م ت ساختمان چ ق د ر است? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ چه کسی ساخت من را ب ن د ه ر ا ق م ن ب ر ی ن د به ی ا ق م م ن به مموری علاقمندم. ن به م ع ا ق م ن ی ا م ن به م ر ی ع ل ا ق م م ن ه م علاقمندم. به ر ی ع ل ا ق ن د م ن ه ع ل ا ق ن د م ه م م ر ن د م ن به علاقمندم. ن به ا ن ه ر ی ن ه ر ی م ه م م ی ع م ن ر ی ع ل ا ق م ن م ن ه م ع ل ا ق م ن د به ن ق ا ش ی ه س ت م